สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เรื่องราวสยองขวัญของคุณเคนย้อนกลับไปเมื่อ15หปีที่แล้วตอนนั้นเคนอายุสิบขวบเคนอาศัยอยู่กับตาและยายครอบครัวที่บ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะสักเท่าไหร่บ้านของเคนจะอยู่ติดกับบ้านของลุงเหน่งลุงเหน่ง แกรับจ้างใายหนังกลางแปลงตามงานวัดแกเคยบอกกับเกียนว่าแกรักกอาชีพนี้มากช่วงวันหยุดเขียนจะไปเล่นกับลูกชายแกบ่อยๆเขียนกับนนท์สนิทกันมากช่วงเย็นวันนั้นหลังกลับมาจากโรงเรียนเขียนก็ไปเล่นกับนนท์ตามปกติเหมือนเช่นเคยวันนั้นลุงเหน่งไม่อยู่บ้านเพราะออกไปต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาก็คงดึกมากแล้วเมืเ่อเขียน เล่นกับนนไปได้สักพักหนึ่งนนก็เอ่ยกินมาว่าเฮ้ยเราลองไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มกันไหมเคนจึงถามว่าจะดีเหรอวะเอาหน้ามีอะไรจะให้ดูด้วยความเป็นเด็กเคนก็ไม่ได้คิดว่ไรมากจึงเดินตามนานเข้าไปในห้องลักษณะของห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมพืนผ้าไม่กว้างมากนักหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายด้วยไม้หน้าสามตอกตะปูพร้อมกับมีผ้ายันสีแดง ปิดทับลงบนหน้าต่างทุกบานเหมือนขังอะไรบางอย่างไว้ด้านในกลางห้องก็มีเครื่องใายหนังขนาดใหญ่ตั้งอยู่และมวนฟิล์มที่วางอยู่ ร, บรอบๆห้องเป็นจำนวนมากเข็นยืนมอง ร, บรอบๆห้องไปได้สักพักก็เหลือไปเห็นเหมือนกับว่ามีใครยืนหลบอยู่หลังจอผ้าสีขาวเข็นเริ่มใจคอไม่ดีจึงรีบถามกับนวนว่าในห้องนี้นอกจากเราสองคนแล้ว ไม่มีคนอื่นแล้วใช่ไหมเออก็มีแต่เราสองคนเนี่ยแหละพอเคนได้ยินคำนั้นมันก็ทําให้เคนครุน ล, ลุกขึ้นมาทันทีแล้วสักพักนนก็พูดกับเคียนว่ามาเดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูพอพูดจบนนก็หยิบเศษ ฟ, ฟิล์มที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วเอาไฟฉายส่องลงไปบนแผ่นฟิล์มชิ้นนั้นมันสะท้อนลงบนจอผ้าสีขาว ปรากฏเป็นภาพออกมาและสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยก็เกิดขึ้นภาพที่สะท้อนออกมานั้นกลับกล้เป็นเงาของชายแก่ยืนนิ่งจ้องมองมาที่เคนและนนเคนตกใจสุดขีดจึงรีบคว้ามือของนอนเพื่อที่จะวิ่งหนีออกมาจากสถานที่ตรงนั้นแต่เมื่อเคนได้สัมผัสกับมือของนอนก็รู้สึกว่ามือของนอนนั้นเย็นเฉียบมาก ไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยเคนเห็นท่าไม่ดีจึงสะบัดมือของนอนออกแล้ววิ่งหนีออกมาด้วยอาการสติแตกร้องเรียกหาคนช่วยตอนนั้นแม่ของนอนก็เพิ่งกลับมาจากใจตลาดพอดีก็เห็นเคนวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยถามเคนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนนหลับไปไหนเคนตอบกลับไปว่านนกับเคนโดนผีหลอกที่ห้องเก็บฟิล์มครับ แม่โนนเลยพูดว่าแล้วใครให้พวกเธอเข้าไปเล่นกันในนั้นเคนได้แต่ยืนอ่ำอ่ำอึ้งๆไม่พูดอะไรแล้วแม่ของโนนก็รีบวิ่งเข้าไปดูโนนในห้องเคนได้แต่ยืนรออยู่ด้านนอกเพราะความกลัวสักพักแม่ของนนนก็เดินออกมาบอกกับเคนว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะเธอกลับบ้านไปก่อนก็แล้วกันหลังจากเคนกลับมาที่บ้านด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมาก พอทานข้าวเสร็จก็เดินไปอาบน้ำที่หลังบ้านตามปกติบรรยากาศในตอนนั้นเงียบสงัดจนน่าขนลุกมันทำให้เคนย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเอาหนะ้าคงไม่มีอะไรหรอกเคนคิดในใจแบบนั้นเคนอาบน้ำไปได้สักพักหูเคนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังออกมาจากด้านหลังของห้องน้าเคนจึงค่อยๆเดินไปชะโงกดู มองผ่านช่องลมของกำแพงห้องน้ำออกไปด้วยความมืดจึงมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่สิ่งที่เคนเห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังก้มหาอะไรบางอย่างยิ่งเคนจ้องมองมันก็ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเคนเริ่มชักไม่แน่ใจจึงเพ้อหลุดปากขทักไปว่านั่นใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะพอสิ้นเสียงของเคนชายคนนั้นก็หยุดนิง่งแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมา เมื่อเคนเห็นใบหน้านั้นก็ตกใจมากเพราะใบหน้าที่เคนเห็นนั้นมันเป็นใบหน้าคนคนเดียวกันกับที่เคนเจอในห้องเก็บฟิล์มเมื่อตอนเย็นด้วยความตกใจเคนวิ่งกระโจนออกมาจากห้องน้ำแบบไม่คิดชีวิตรีบวิ่งตรงเข้าไปหาตากับยายทันทีด้วยอาการสั่นไปทั้งตัวเคนบอกกับตาและยายว่ามีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่หลังห้องน้าบ้านเราตากงเคน ก็เลยเดินไปที่หลังห้องน้ำยืนอยู่สักพักแล้วก็พูดประโยกสั้นๆว่าอย่ามายุ่งกับหลานของกูเพาพูดจบตาก็เดินตรงเข้ามาหาเคนและพูดว่าไม่มีอะไรแล้วละ่ะเอ็งขึ้นไปนอนกับยายก่อนเดี๋ยวตาจะอยู่ข้างล่างอีกสักพักเคนรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยจึงขึ้นไปบนบ้านกับยายเพื่อจะเตรียมตัวเข้านอนเพราะพวกนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้า สิ่งแรกที่ยายให้เคียนทำหลังจากขึ้นมาถึงห้องแล้วก็คือให้ปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิทแล้วรีบเข้ามุ้งนอนยายยังบอกอีกว่าให้นอนให้ใกล้ยายมากที่สุดเค็ยนจึงซุกตัวเข้าไปนอนกับยายยายกอดเคียนแน่นมากแล้วกระซิบกับเค็นเบาๆว่าถ้าเห็นอะไรห้ามส่งเสียงเด็ดขาดพอเค็นนอนไปได้สักพักตาขุงเคนก็เดินขึ้นมาพอดี แกเดินตรงเข้ามาที่มุงแล้วพูดว่าวันนี้ตาขอนอนกับเองวันหนึ่งนะมันเป็นวันแรกที่ตาเข้ามานอนกับเคนเพราะตั้งแต่เคนเกิดมาก็จะเห็นตากับยายนอนแยกกันตลอดแล้วสักพักเคนก็เคลิ้มหลับไปเคนค่อยๆลืมตาตื่นขึ้น พอได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินขึ้นมาตรงบันไดาทางขึ้นบ้านแล้วสิ่งที่เคนเห็นนั้นมันคือท่อนบนของชายแก่คนนั้น ค, อ ค, อคอ่อยๆโผล่ขึ้นมาแววตาแดงกำ่ำเลือกไปเลือกมาเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็ค่อยๆตรงเข้ามาทางเคนด้วยความตกใจเคนจึงพยายามดิ้นสุดแรงและร้องเรียกตากับยายแต่ร่างกายของเคน มันไม่ตอบสนองอะไรเลยเหมือนเค้นยิ่งดิ้นมากเท่าไรร่างกายมันก็ยิ่งชาขึ้นเรื่อย เ, อยเคนเริ่มจะหมดแรงลงทุกทีร่างของชายแก่นั้นก็ยิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อ ย, อยแล้วเค้นก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีเสียงปริศนาดังขึ้นเฮ้ย <Hey! S 1> พอสิ้นเสียงนั้นก็ปรากฏชายร่างดำสูงใหญ่ เขายืนชี้หน้าของชายแก่คนนั้นไม่ขยับไปไหนแล้วสักพักร่างของชายแก่คนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจากนั้นเคนก็เผลอหลับไปพอรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็เช้าแล้วเช้ามาหลังจากเคนตื่นนอนได้สักพักหนึ่งเคนก็ลงไปข้างล่างเห็นตากำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะพอตาเห็นเคนเดินลงมาคาแรกที่ตาถามเคนก็คือ เมื่อวานไปเล่นอะไรที่ไหนมาแล้วได้ไปเอาอะไรของใครเข้ามาหรือเปล่าเจ้าของเข้ามาตามถึงที่เลยนะเคนจึงบอกกับตาว่าเมื่อวานนนมันชวนเข้าไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มแต่ก็ไม่ได้ไปหยิบหรือเอาอะไรของใครมานะพอพูดจบตาขุมเคนก็เดินไปหยิบรองเท้าคู่เมื่อวานที่เคนใส่มาให้ดู ม, มันมีเศษอะไรบางอย่างติดมากับรองเท้า เนื่องจากเมื่อวานเค้นตกใจกลัวมากจึงไม่ทันได้สังเกตว่ามีอะไรติดมากับรองเท้าที่ใส่อยู่หรือเปล่าแล้วตาก็บอกกับเค็นว่าน่าจะเป็นเศษซากอาหารหรือเครื่องเส้นอะไรบางอย่างที่วางอยู่กับพื้นแล้วเค็นดันไปเหยียบเข้ามันจึงติดมากับรองเท้าของเคนทำให้วิญญาหรืออะไรบางอย่างในห้องนั้นคงไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงมาตามเอาของเขาคืน หลังจากเหตุการณ์นั้นตาคงเคนก็ได้มีการทำพิธีขอขมาให้แกดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วเคียนก็ไม่เคยเจอชายแก่คนนั้นอีกเลยและก็ไม่มีใครรู้ว่าประวัติของห้องเก็บฟิล์มห้องนั้นมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างต่อมาไม่นานลุงหน่งแกก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้กิจการหนังกลางแปลงที่แกรักก็ถูกทิ้งราง ลูกหลานรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีใครมาสนใจเรื่องราวเรื่องเล่าของหนังกลางแปลงจึงถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาสัมผัสสยอง